สเดือนก่อนพวกเรามาทําวัดเย็นกันตรงนี้วันนี้นะเราก็มาทําวัดเย็นกันนะที่จุดเดิมแต่ว่าบรรยากาศมันแตกต่างจากเมื่อสามเดือนก่อนนะบรรยากาศวันนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าดินชุ่มน้ำนะฟ้าฉ่าฝน ส่วนคนก็ชื่นใจนะเพราะอะไรนะเพราะว่าวันที่ไปมันออกพรรษาสามเดือนก่อนใ้วันเข้าพรรษาหลายคนก็มาเข้าพรรษาด้วยความกังวลด้วยความวิตกเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยตับการ มาปฏิบัติธรรมที่นี่เพราะอาจจะเพิ่งบวชมาแล้วก็จะรู้สึกว่าสามเดือนที่วัดมันคงจะเต็มไปด้วยความยากลำบากและไม่สะดวกสบายแต่มาถึงวันนี้นะออกพรรษาคนก็รู้สึกคลายหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า นกนะที่กำลังจะออกจากรังนะพรุ่งนี้นี่ก็นกในรังก็จะเป็นอิสระภาพแล้วหลายคนก็จะได้สินคาลาเทศแล้วก็นะกลับสู่บ้านกลับสู่ครอบครัวหลายคนที่เคยจำสีหรือว่าสีอสิน8ก็อาจจะลดเหลือสีน5้า หรือบางคนที่เคยถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้าวพรรษาออกพรรษาแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสแล้วนะที่เราจะผ่อนคลายตัวเองอันที่จริงเนี่ยออกพรรษาก็จริงนะแต่ว่าก็ อ, อย่าให้มันออกจากศีลออกจากธรรมจะลดจากศีลแปดหรือจะออกจากอุโบสถศีลก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ขอให อยู่ในศีลห้าเป็นอย่างน้อยส่วนคนที่ถือศีลห้าแล้วนี่ก็ขอให้รักษาตัวรักษาใจให้อยู่ในธรรมด้วยอย่าไปเข้าใจว่าออกพรรษาแล้วนะเราจะทำอะไรก็ได้คนที่เป็งกตเล่าเขถือศีลห้าออกพรรษาก็นะเหมือนกับว่าประกาศอิสรภาพนะ ออกพรรษาปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ส่งเข้าไปที่ร้านเหล้าเลยอันนี้ต้องระวังเนอะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจบ้างอย่าไปคิดว่าออกพรรษาคือการออกจากคุกเพราะถ้าคิดว่าออก อ, อกพรรษาคือออกจากคุกมันก็จะไปฉลองกันแล้วพอฉลองแล้วนี่ไม่ระมัดระวังก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาได้หลายปีก่อนนะ ก็มียองคนหนึ่งไม่ใช่ที่นี่นะที่อื่นก็ดูตั้งใจนะมดเล่าเข้าพรรษาไม่รวมางดเล่านี่เพราะว่าถูกบังคับหรือว่าตั้งใจมดเองแต่ก็พยายามงดนจนได้นะตลอดพรรษานี้ก็ไม่แตะเล่าเลย แต่ว่าพอออกพรรษาเท่านั้นแหละเช้าวันรุ่งขึ้นนี่ก็ตรงไปที่ร้านเหล้าแล้วก็กินเหล้าแบบเหมือนกับตายโอตายอย่างนะมันก็ว่าเจ็บกดมารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเป็นอิสระแล้วนะต่อวันี้จะกินเท่าไหร่ก็ได้แล้วกินจนเมาเลยนะกินจนเมาไม่พอกลับไปบ้านก็ไปอารวาดกับเมียถึงขั้นจะทำร้าย ทำร้ายอย่างรุนแรงนะเมียก็ทำท่าจะไม่ไหวแล้วคงจะเหมือนกับว่าถูกดีดคอไดยซ้ำนะคนมานี่มันลืมตัวเมียไม่รู้จะปกปก้องตัวยังไงกำลังก็น้อยกว่าไอ้ช่วงที่กำลังจะแย่นี่มือก็ไปคว้าคราดมาได้ก็เอาคราดเนี่ยนะ ฟาดกนะินแรกก็สลัดตัวให้หลุดนะแล้วเอาคราบเนี่ยฟาดไปที่หน้าอกของหัวนะบกกอกว่าคราฟ ม, มาไปปักอกนอะตายเลยนะหัวนี่ตายเลยอุตส่าห์ทำดีมาตลอดนะทั้งพรรษาไม่กินเหล้าพอบพรรษานี่มันลืมตัวไอ้ความอยากเหล้านี่มันทำให้ลืมเนื้อลืมตัว กินเล่าจนเมามมยแล้วแถมยังไปทำร้ายเมียสุดท้ายกลายเป็นศพเนี่อ่าันนี้มันน่าเศร้าเนี่ยศุษฐานำความดีมาทั้งภรรษาแล้วก็ออกพรรษาแล้วเนี่ยฮนะไม่รู้จักยับยังช่างใจพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าโยมต้องระวังเนอหลายรูปเนี่ยนะเป็นพระก็จะใกล้สึดละบางคนก็ วางแผนเอาไว้แล้วนะศึกแล้วนี่จะไปเที่ยวที่ไหนนะต้องระวังปกติตามธรรมเนียมเนี่ยนะศึกแล้วนี่ยังไม่ถึงกับต้องกลับบ้านนะะต้องอยู่วัดก่อนอยู่วัดสักสามวันสามคืนนะให้ความรุ่มร้อนนะที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปฉลองเนี่ยมัน บรรเทาเบาๆลงสักหน่อยให้เป็นช่วงปรับตัวนะสามวันเหมือนกับก่อนจะมาบวชเนี่ยที่นี่ก่อนมาบวชก็ต้องมาปรับตัวก่อนอยู่วัดเนี่ยอย่งางน้อยก็นหนึ่งอาทิตย์สามวันก็ยังดีจะศึกไปก็เหมือนกันนะมันก็ต้องปรับตัวเป็นคารวาสนะสักสามวันแล้วจึงค่อยกลับบ้าน ตรงนี้เนี่ยมช่วยทำให้ความอยากจะไปฉลองมันมีภูมิต้านทานสักหน่อยใจเย็นลงสักหน่อยในงานนี้มันเหมือนกับกระโจนเข้าไปนะสู่ความหลงเพราะว่าอยากจะเสพอยากจะสนุกอยากจะสนานเก็บกดมานานสามสามเดือนอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกเรา นะจะเป็นโยมก็เหมือนกันนะออกพรรษาแล้วนี่อย่าเพิ่งรีบขุนผันกลับบ้านนะอ่าก็อยู่สักพักก่อนให้ใจมันเย็นลงสักหน่อยปรับตัวได้กับชีวิตหลังออกพรรษาแล้วก็ค่อยกลับบ้านที่เคยงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเขงก็ต่อไปก็ดีหรือว่า้าหัง ก, กว่าจะเริงมงดนะก็ ลองบัญญัตบัญญัยังสักหน่อยจึงบอกว่าออกพรรษาเนี่ยนะอย่าให้ออกจากศีลอย่าออกจากธรรมถ้ายังอยากยมีความสุขนะอยากจะมีความสุขก็ขอให้รักษาศีลรักษาธรรมเอาไว้มันก็จะมีความสุขนะไอ้เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมันก็จะห่างไกล หน้านี้มันก็เป็นหน้าเทศกสะตาออกกักภญษาก็มีสถินมีการฉลองอมีความรื่นเริงที่นี้อาจจะไม่มีมากนะแต่ที่อื่นนี่มันมีเยอะทําไม่บรรดาบรรยังนี่ก็อาจจะเมามายแล้วก็ไปเตีกันบางทีหัวร่างข้างแตกที่การหรือตายก็มีพึ่งศึกมาไม่ทันลายอก กลายเป็นศพไปซะและ้วมันก็เคยมีนะแล้วก็มีอยู่เป็นประจำนั้นก็ตั้งสติเอาไว้ให้ดีๆนะแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างที่เราเคยเป็นเคยทําออกคำเข้ารรษาเป็นอย่างไรออกรรษาก็อย่างนั้นแหละอันนี้วันนี้เนี่ยนะนอกจากจะเป็นวันออกภรษาแล้วนะยังเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งที่ทางพระนี่ก็เรียกว่าวันมหาปวารณา ชาวบ้านนี่เรียกกันว่าวันนี้คือวันออกพรรษาแต่พระนี่เราเรียกว่าวันมหาปวารณาเพราะว่ามีพิธีปวารณากันการที่จะสวดปฏิโมกษสิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดนี่เราก็มาทำพิธีปวารณาปวารณาแปลว่าอะไรนะปะวนารณาเนี่ยมันแปลได้สองอย่างอันนึงคือแปลว่ายอมให้ขอ อันนี้ใช้กับคารวาสนะคารวาสนี่ยอมให้พระขอด้วยการบอกพระวา่าหรือการบอกสงฆ์ว่าถ้าต้องการอะไระที่เป็นเรื่องปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุงหม่มจีวรก็มาบอกนะบางคนก็ปรนานาวไว้สี่เดือนบางคนปรนานาวตลอดชีวิตเลย บางคนปรารณาว่าเนี่ยจะเดินทางไปไหนขอให้บอกจะขับรถไปส่งนะอย่างนี้เรียกว่ายอมให้ขอส่วนใหญ่ก็พระก็ปรารณากับส่วนใหญ่โยมก็ปรารณากับพระอีกความหมายหนึ่งนะแปลว่ายอมให้ว่ากล่าวยอมให้ตักเตือนอันนี้ส่วนใหญ่พระใช้กับพระนะก็คือว่าพระนี่ก็ปรารณากับบูสง์ว่า มีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้แนะนำตักเตือนพักทวงวันปรณนาหรือวันมหาปารานาวันเนี้ยก็คือวันที่พระเนี่ยมาปรนามาบอกกับโมสง์ว่ายอมให้ว่ากล่าววันนี้เนี่ยนะพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญนะปกติจะต้องสวดปฏิโมกนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันเดียวในรอบปีนะที่ทูเจ้า ให้พระนิพพารนาก่อนที่จะแยกย้ายกันนะเพราะออกพรรษาแล้วก็อาจจะเดินทางไปตามที่ต่างๆก่อนจะแยกย้ายกันไปก็ให้มาปรณากับกันซะก่อนนะว่าถ้าหากได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีหรือระแวงสงสัยว่าข้ารเจ้าทําอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้ว่ากล่าวด้วยความเอ็นดูหวังดี เมื่อข้าพเจ้าเสร็จแล้วก็จะแก้ไขแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองอันนี้คือทำที่พระเรียกว่าทั่วประเทศเลยนะกล่าวกันกับบูสงสองที่นี่ก็เหมือนกันก็ได้ทําไปแล้วนะเรื่องการยอมให้ขอเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยมันง่ายกว่ายอมให้ว่ากล่าวนะยอมให้ขอเนี่ยนะ โดยเฉพาะพระมาขอโยมบางทีโยมก็ชอบนะโหยินดีเลยนะถ้าหลวงพ่อนี่มาขอที่มันควรจะสมณะสารูปโยมยินดีอยากให้พระขอแต่ว่าน้อยคนนะที่อยากจะให้มีคนมาว่ากล่าวตักเตือนเพราะว่าการที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยมันมักจะไปกระทบกับอัตตาหรือกิเลส ธรรมดาคนเรานะก็มีกิเลสนะกิเลสนี่มันมันมันอยากจะให้คนชมว่ากูดีกูเก่งนะกูฉลาดแต่พอมีใครมาทักท้วงว่ากล่าวเนี่ยมันก็เป็นการกระทบอัตตาจะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันยังมีข้อผิดพลาดนะฉันยังมีข้อบกพร่อง อัตตาเนี่ยมันไม่อยากจะได้ยินแบบนี้นะแต่ว่าถ้าคนเราเนี่ยนะไม่ถูกพักท้วงว่ากล่าวมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโ ต, ตได้ยากนะโดยเฉพาะคนที่มาบวชพระหรือนักบวชรวมถึงนายชีด้วยเนี่ยเรามาบวชเพื่ออะไรเราไม่ได้บวชเพื่อหวังรวยเราไม่ได้มาบวชเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญ เป็นใหญ่เป็นโตเพื่อพนอกิเลสปลดประอัตตาเรามาบวชนะเพื่อลดละอัตตาเพื่อฝึกฝนตนนะให้เป็นคนที่ไฝ่ธรรมนะไม่หลงคล้อยตามอำนาจของกิเลสไม่ถูกอัตตาครอบงำเมื่อมาบวชัช่นนี้แล้วเนี่ยนะนอกจากความตั้งใจดี อยากจะขัดเกลาวตัวเองด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยมันต้องยอมนะให้กาลยานมิตรนะมิตรสายเนี่ยทักท้วงได้ด้วยเพราะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเก่งยังไรเนี่ยมันก็ต้องมีผิดเพลาดบ้างบางทีเราก็มองตัวเองไม่ถี่ท่วนเรามักจะเห็นความดีของเรา แต่ว่าความบกพร่องเราบางทีเราก็ไม่ค่ยเห็นแม้จะพยายามมองก็ตามแต่คนข้างนอกเนี่ยเขาอาจจะเห็นเมื่อเขาเห็นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาทักท้วงเราเนี่ยก็ควรจะขอบคุณเขาว่าทําให้เราเห็นสิ่งที่ควรแก้ไขอันนี้เป็นหน้าที่เลยนะของนักบวชเป็นหน้าที่ของนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าแม่ชีว่า เรายินยอมนะเรายินดีอาจจะมีคนมาทักท้วงตักเตือนว่ากล่าวนะเพราะว่าเป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องศึกษาแล้วก็อบรมตนเองผู้เจ้าตรัสว่ากรารียนนมิตเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์พรหมจันทร์ในที่คือชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ประเสริฐ บุ้ดชนอย่างเราเนี่ยจะมีชีวิตที่ประเสริฐที่ดีงามได้ก็เพราะต้องมีกัลยะาณมิตรเริ่มตั้งแต่ครูบาอาจารย์ไปถึงมิตรสหายหน้าที่กัลยะาณมิตรเนี่ยนอกจากจะส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจเราในการทำความดีฝึกฝนพัฒนาตนจเจริญในไตยสิกขาแล้วเนี่ยหน้าที่อย่างนก็นคือรู้จักทักทวง นะเมื่อเห็นความผิดพลาดเมื่อเห็นความบกพร่องเจ้าแต่ชมเอาแต่สรรเสริญอย่างเดียวไม่พอนะแต่ว่าก็ต้องรู้จักนะแนะนำชี้แนะทักท้วงด้วยแม้แต่ผู้เจ้าเนี่ยนะก็ตัดกับพระอานวนท์ว่าพระองค์จะไม่ทำกับควบเธออย่างสนุทนอมนะเหมือนช่างปั้นหม้อทำกับบมอที่ยังดิบ แต่ว่าจะขนาดแล้วขนาดอีกผู้เจา้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีผู้ว่ากล่าวตักเตือนเราก็ให้มองว่าคนเหล่านั้นคือผู้ชี้คุ้มทรัพย์นะให้มองแบบนั้นนะั่นคือชี้คุ้มทรัพย์คุ้มทรัพยนะ์ในที่นี้คืออะไรคือความบกพร่องที่ต้องแก้ไข เ, เพราะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่และเป็นคุณธรรมนะของพระเลยนะ ของนักบวช ด, ด้วยที่จริงก็รวมไปถึงชาวพุทธนะผู้ปรารถนาการฝึกฝนพัฒนาตนว่าเรายินดีน้อมรับคำวิจารณ์คำพักท้วงอันนี้มันควรจะเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะให้มีใครมาพักทวงเท่าไหรนะ่เพราะว่าอย่างที่บอกอัตตาหรือมานะ มันไม่ค่อยอยากจะให้ใครมาบอกว่าฉันยังมีข้อบกพร่องนะมันมีแต่อยากจะบอกให้ใครมาชมมาสารรเสริญว่าเธอดีเธอเก่งเธอเป็นคนมีความสามารถนะเกียรพร้อมดีลเลอร์สุดยอดนะอันนี้คือธรรมชาติของอัตตาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่มีความเจริญวิสัยของบัณฑิตนะ ย่อมน้อมรับคำวิจารณ์ไม่ว่าคำวิจารณ์หรือคำทักท้วงนั้นเนี่ยจะมาจากใครไม่ใช่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจากครูบาอาจารย์นะแม้จะมาจากคนน้อยผู้เล็กผู้น้อยก็ยินดีรับฟังอย่างพระสารีบุตรเนี่ยมีคราวหนึ่งนะโดนเนน้อยอายุเจ็ดขวบทักท้วงว่าชายสบงของท่านมันห้อยลงมา มันโผล่มาดูไม่เรียบร้อยพระสายรุบุญนะเป็นถึงอาจารย์นะล้วก็เป็นพระ อ, อัครส า, าวกกลับฟังด้วยความตั้งใจแล้วท่านก็หลบไปนะเพื่อที่จะนุ่งผมสบงให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ออกมาถามเนนน้อยว่า ผมแบบนี้ใช้ได้แล้วหรื อ, อยังนะนี่ภาษาลิบุตรนะมาถามเนนน้อยนะเนนน้อยก็บอกว่าใช้ได้แล้วนะอันนี้คือวิสัยของบัณฑิตนะยิ่งสูงส่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความอ่อนน้อมข่อมตนแล้วก็น้อมรับคำวิจารณ์เมื่อนะกี้เราก็พึ็นสวยกันนะ มงคลละศูนย์เนี่ยมีข้อนี้ก็คือโสว่าจาสัสสตาความเป็นคนว่างง่ายความเป็นคนว่าง่ายนี่หมายแปลว่าเป็นคนหัวอ่อนนะสอนอะไรก็เชื่อแต่หมายความว่ามีใครแนะนํามีใครทักท้วงนะก็รับฟังนะถ้าผิดพลาดาก็แก้ไขอันนี้เลยว่าเป็นคนว่างง่ายนะพระายไปบุญเนี่ยเป็นบัณฑิตนะ แล้วก็เป็นอาัคารสาวงแต่ท่านก็เป็นคนว่า ง, งา่ายสามัญเนนน้อยทักท้วงท่านก็ฟังแล้วก็กลับไปแก้ไขอันนี้เป็นนิสัยของคนที่ไม่มีอัตตานะ่ไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวครูแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะอย่าว่าแต่พูดน้อยมาทักท้วงเลยบางทีครูบาอาจารย์ทักท้วงก็โกรธนะ โยมบางคนเนี่ยนะมีพระมาทวงหรือว่าครูบาอาจารย์มาทักท้วงก็โมโหนะอันนี้ไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธยิ่งเป็นพระโดยแล้วนี่นะยิ่งต้องนะยิ่งต้องมีความเป็นคนว่างง่ายอันนี้เป็นมงคล น, นะถ้าเราเป็นคนว่า ง, ง่ายสุขจัตตตานี้ก็ถือว่า ได้ปฏิบัติหรือได้ทำมงคลข้อหนึ่งนะเป็นอุดมมงคลด้วยนะดิ่งเป็นผู้ใหญ่นะก็ยิ่งต้องมีคุณสมบัติข้อนี้มีคุณธรรมข้อนี้ควรเป็นพ่อเป็นแม่บางทีลูกทักท้วงนะก็ควรฟังนะหรือว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์มาทักท้วงก็ควรฟัง อย่ไปคิดว่าฉันเป็นพ่อแม่นะมาสอนฉันได้ยังไงฉันเป็นครูบาอาจารย์มาสอนฉันได้ยังไ ง, าารไ ง, ไงหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าว่ามีลูกวัดมาทักท้วงพระมีคารวัดมาทักท้วงนะก็ควรจะฟัง <c oughs> ที่จริงอย่าว่าแต่ความทักท้วงเลยนะแม้กระทั่งการด่าว่าเนี่ยนะก็เป็น ก็เป็นคุณธรรมเป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะที่จะต้องฟังด้วยใจสงบไม่โกรธเวลาใครมาต่อว่าเราหรือด่าว่าเราก็ให้นึกถึงคำของพระพุทธเจ้าที่ว่าคนที่โกรธตอบผู้ที่ด่าว่าถือว่าเร็วกว่าผู้ที่ดา่าผู้ใดก็ตามที่ไม่โกรธตอบคนที่ด่าว่า ถือว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดที่รู้จักอดการมีสติไม่โกรธคนที่ด่าว่าถือว่าผู้นั้นได้ทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านและเวลานี่ไม่แต่ํำด่าว่านะก็ไม่ควรโกรธนะ ไม่ใช่ด่าว่าเราคนเดียวนะบางทีด่าว่าหรือตำหนิตดเตียนสิ่งที่เรานับถือเช่นพระรนัดไตรพร <_ S 1> พุทธเจ้า ก, ก็สอนนะเตือนนะว่าอย่าไปโกรธแค้นอย่าไปพยาบาทเขาแม้เขาจะจ่วงจาบ พ, พระพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์บางทีก็เป็นคนที่เราถือว่าเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์เพราะว่าถ้าโกรธแล้วถ้าพยาบาทแล้วเนี่ย ก็จะไม่เป็นผลดีกับเธอเลยนะไม่เป็นผลดียังไงก็คือว่าจิตใจมันรุ่มร้อนเนี่ยแล้วพอรุ่มร้อนแล้วพอโกดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จักพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมนี่พระเจ้าสอนเองนะว่าเนี่ยเมื่อเข้ามาติชินินทาพระรัตนตรยัย แทนที่จะโกรธก็พิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมถ้าจริงก็แก้ไขถ้าไม่จริงก็อย่าไปสนใจนะนี่ถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันก็เกิดประโยชน์เพราะนี่วันปาราานี่ก็ออย่างที่บอกนะว่าเป็นการยอม ให้ว่ากล่าวยอมให้ตักเตือนยอมให้ทักท้วงตันนี้ผู้ที่ทักท้วงเนี่ยนะก็ควรถือโอกาสนี้เนี่ยได้พิจารณาว่าคุณธรรมของผู้ทักท้วงนี่คืออะไรอย่างในคำปรณนาเนี่ยที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลว่าเมื่อเห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะหรือว่าระแวงสงสัยก็ดี ก็ขอให้ว่ากล่าวกับข้าพเจ้าด้วยความหวังดีเอ็นดูนะขีดเส้นใต้คําว่าหวังดีเอ็นดูคือเมตตาและเวลาเราจะว่ากล่าวใครจะทักท้วงใครเนี่ยขอให้ทำด้วยใจที่มีเมตตาที่จริงพุทธเจ้าได้ตัดในที่อื่นด้วยนะว่านอกจากทําด้วยจิตเมตตาแล้วก็ให้ใช้วาจาที่สุภาพสียะวาจาแล้วก็ให้รู้เวลาด้วยเวลาใดควรจะทักท้วง ธรรมดาคนเราก็ไม่อยากให้ทักท้วงต่อหน้าฝูงชนนะอย่าให้ทักท้วงสองต่อสองเนี่ยหรือก็ต้องดูเวลาเขากําลังเขาตั้งใจฟังเขามีสมาธิไหมบางทีเขากำลังยุ่งเขากาลังหงุดหงิดนะเขายังไม่พร้อมจะฟังก็ให้รอเวลาซะก่อนคนที่ทักท้วงเนี่ยก็ต้องรู้จักนะรู้จักเ ว, เวลาสถานที่นอกจากมีจิตเมตตาใช้คำที่ส่ภาพ รู้เวลาแล้วก็ต้องพูดด้วยสิ่งที่เป็นความจริงและมีประโยชน์อันนี้เป็นคุณธรรมของผู้ที่จะตักเตือนทักท้วงเนอะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายหรือแม้กระทั่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เวลาจะทักท้วงลูกก็ให้ลองใช้หลักห้าข้อนี้แหละหนึ่งทำด้วยจิตเมตตาอย่าใช้อารมณ์โกรธ เวลามีความโกวธเมื่อไหรก็เก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งพูดเพราะพูดไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นด่าไปหรือว่าเป็นการระบายด้วยความสาสใจให้ถามใจตัวเองว่าตอนนี้เรามีจิตเมตตาหรือเปล่าเมื<ๆ>่อมีจิตเมตตาแล้ววาจามก็ออกมาเป็นวาจาสุภภาพแต่ก็ต้องดูเวลาด้วยนะแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยจะว่าจะทักท่วงลูกก็ให้ดูเวลาสักหน่อยครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน ล้วก็ให้แน่ใจว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงและมีประโยชน์อันนี้เป็นคุณธรรมฝ่ายผู้ที่ทักท้วงส่วนคุณธรรมฝ่ายผู้ที่ถูกทักท้วงนะก็คือหนึ่งนะต้องไม่โกรธอันนี้ได้พูดไปแล้วนะธรรมชาติของอัตตาเนี่ยพอมาถูกทักท้วงมันจะโกรธนะพ่อแม่ทักท้วงลูกก็าตามลูกก็โกรธ ครูบาอาจารย์ทักโ้ลูกลูกสิษก็อาจจะโกรธไม่พอใจหรือน้อยใจนะต้องตั้งสติให้ดีฟังนะยอมรับมันจะเป็นการฝึกให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งก็เป็นเป็นมงคลข้อหนึ่งเหมือนกัน น, นิวาโตจากความอ่อนน้อมถ่อมตนโส ว, วาจากสตาความเป็นคนว่า ง, ง่ายนะถ้าเราตั้งใจฟังนะ ก็เท่ากับว่าบำเพ็ญมงคลอันสูงสุดสองประการแล้วเมื่อฟังแล้วนะก็พิจารณาว่าถูกต้องไหมถูกต้องก็แจ้ไขถ้าไม่ถูกต้องก็ปลนะ่อยไปนะอันนี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์จากคำทักทวงที่พู้เจ้าตรัสเนี่ยนะก็มันเป็นแนวนะเป็นแนวการปฏิบัตินะว่า เมื่อใดก็ตามที่ถูกทักพวงถูกว่ากล่าวหรือแม้กระทั่งมีคนเตะชิ้นเยนทาสิ่งที่เราเคารพรักเช่นพระรัตนตรยัยครูบาจารย์ข้อแรกคืออย่ากโกรธนะรักษาใจให้ปกติข้อ2ก็พิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมจริงไหมถ้าจริงก็แก้ไขนะอันนี้เรียกว่าใช้ประโยชน์หาประโยชน์จากคำทักพวงถ้าเราทำสองข้อนี้ได้เนี่ยคือ1รักษาใจให้ปกติ ไม่โกรธนะและสองพิจารณาสิ่งที่ก็พูดเอามาแก้ไขปรับปรุงตัวถ้าว่าเป็นความจริงเนี่ยถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชาวพุทธนะนะถือว่าได้จเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าที่จริงสองอย่างเนี่ยนะมันไม่ได้ใช้เฉพาะเวลาถูกตักเตือนถูก นะว่ากล่าวเท่านั้นนะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจอย่างอื่นเช่นของหายนะงานการประสบอุปสรรคหรือว่าเจ็บป่วยอย่างแรกที่เราต้องทำคือหนึ่งรักษาใจให้ปกติรักษาใจให้ปกตินะ และสองหาประโยชน์จากมันเสียเงินแล้วถ้ารักษาใจไม่เป็นนะมันจะเสียใจแล้วมันก็จะเสียสุขภาพเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายไปพร้อมเสร็จแล้วก็จะเสียงานเพราะทำงานไม่ได้เอาต่คิดถึงของที่หายและบางทีมันก็เสียอื่นด้วยเสียเพื่อน เพราะว่ามีเพื่อนมาหยอกมาเลาะแต่ก่อนเราก็หยอกล้อ ก, กลับแต่คราวนี้เราไม่มีอารมณ์เราก็ดา่านะก็เกิดการทะเลาะ ก, กันแทนที่จะเสียหนึ่งก็กลายเป็นว่าเสีย5้าเลยนะคือเสียทรัพย์เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนนะนเพราะหลายเพราะวางใจไม่เป็นแต่ถ้าเราวางใจเป็นน ะ, ะเสียก็เสียของแต่ใจเป็นปกติ เจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเจ็บป่วยก็มันป่วยแต่กายใจไม่ป่วยยอมรับได้อันนี้เป็นข้อแรกนะที่เราต้องทำให้ได้ถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วก็เป็นคนฉลาดถ้าเรารู้จักรักตัวเองเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่รักตัวเองมีหน้าที่ทำให้จิตใจเป็นปกติถ้าเราโกรธถ้าเราเศร้าเราเสียใจนี่ก็ถือว่าเรากำลังทำร้ายตัวเอง อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ารักตัวเองอันนี้บออรักษาใจปกติแล้วนะฉลาดหนงไยคือว่าหาประโยชน์จากมันซิว่ามันบอกอะไรเราบ้างมันสอนอะไรเราบ้างอเงินหายก็สอนให้เราเนี่ยรู้จั ก, กระมัดระวางังเวลาวางของก็วางให้เป็นที่อย่าวางด้วยใจลอยนะ หรือไม่ก็มันก็สอนเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงขนาดเราตั้งใจดูแลอย่างดีแล้วมันก็ยังหายของที่เรามีมันไม่ใช่ของเรามันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแต่พอเราไปยึดมันเป็นของเราของเราเนี่ยนเนี้ยเตรียมทุกข์ได้เลยนะเพราะว่าพอมันหายไปเราก็ทุกข์ แต่เราคิดว่าของทั้งหลายพวงมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราววันดีคืนดีมันก็ต้องไปจากเรานนถึงเวลามันหายไปใจก็ไม่ทุกข์นะเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเจ็บป่วยมันก็สอนมันก็เตือนเราว่าเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของเรามันสอนเราว่านะร่างกายเราไม่ไม่เที่ยงมันสอนว่าร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับบัญชาได้ เวลาป่วยแล้วแทนที่อวยวายตีปพยตีพายก็มองเออเขามาก็ามาสอนทำให้เราเห็นอันนีจังอัทางอนัตตาอย่างหลวพออมเคนเนี่ยตอนที่ท่านป่วยเนี่ยนะั้งแรกที่จุลาเนี่ยรักษาตัวที่จุลาปีสี่เก้าท่านบอกว่าเนี่ยเจ็บป่วยนี่ไม่ต้องทำอะไรหรอกนะก็แค่ดูไตรักมันแสดงก็พอ มันโชว์ให้เราเองนะดูไตลักอย่างเดียวก็พอแล้วนะดูไตลักอย่างไหนก็ดูไตลักจากร่างกายของเรานี่แหละนะอันนี้เราว่าหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอะให้เรานะเตือนใจเราอยู่เสมอนะว่าฟิสเราเนี่ยมันก็ต้องเจอ อะไรที่ไม่แน่ไม่นอนมีข้าวก็มีออกเข้าพรรษาก็ต้องออกพรรษามีเจอก็ต้องมีจากมีพบก็ต้องมีพาดมีได้ก็ต้องมีเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราบางทีก็ต้องเจอกับความสูญเสียความเจ็บป่วยมีสารเสริญก็มีนินทามีคนมาว่าร้าย แต่ถ้าเกิดว่าเราวางใจไว้ถูกนะเราก็จะรู้จักหนึ่งทำใจใปกติไม่โกรธไม่โมโหไม่เศร้าไม่เสียใจสองใช้ประโยชน์จากมันให้ได้อันนี้แหละคือสาระนะที่เราควรทำนะเวล า, เ, าเป็นสาระสำคัญที่เราควรจะเรียนจากวันปรวารณานะเรียนจากวันเปวารนาหรือวันมหาปรวารนา นะเรียนจากการที่ถูกทักท้วงนะว่าถ้ามีคนมาทักท้วงเราเราก็รับฟังแล้วก็พิจารณาแล้วนำไปแก้ไขถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชาวพุทธในสมัยพุทธการนี่นะก็มีหลายคนนะที่ท่านบรรลุทำได้เนี่ยก็เพราะว่ารู้จักฟังํำตักเตือนบางทีลูกนี่ก็ว่าแม่นะอย่าง ที่สุนีเนี่ยรูปหนึ่งนะท่านคลอลูกหลังจากที่บวชแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าท่านไปมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างบวชน ะ, ะเป็นลูกเป็นมีเพศสัมพันธ์ก่อนจะบวชแล้วพอบวชแล้วเนี่ยนะก็ลูกก็เกิดขึ้นมาแล้วพอลูกคลอดออกมา พิสูุนีนี่ก็เลี้ยงไม่ได้ที่แรกจะถูกจับศึกด้วยซ้ำนะเพราะว่าเจ้าสํานักคือพระเทวทัตบอกว่าเนี่ยไปเสดในทุนขณะที่บวชพิสูนุนีแต่ว่าพอมีการพิสูจน์โดยนังวิสาขาก็พบว่าไม่ใช่นะเสดในทุนมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจับศึกไม่ได้แต่ลูกที่คลอดมาก็ต้องเอาไปให้คนอื่นเลี้ยง พระเจ้าประสเนที่โกศลก็รับเลี้ยงพอเด็กนี่โตขึ้นอายุสิบ2ดสิบสองเนี่ยก็รู้ว่าใครเป็นแม่แล้วก็เกิดใจิตใจไฝ่ธรรอยากบวชก็บวชเนนชื่อกูมานกัสปะนะบวชเนนได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะวันนึงเนี่ยเดินบิดบานมาแม่เนี่ยเป็นทุกสีน้ก็เดินบิดบานเป็นการเห็นลูก ที่จริงก็เฝ้าดูลูกตลอดนะอยู่ห่างแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่อยู่ใกล้ามากเลยด้วยความรักลูกก็วิ่งไปหาลูกนะแต่ว่าสะดุดหกล้มท่านกุมารกับสปานี่เห็นใจนึงก็เมตตานะแต่ก็รู้ว่าถ้าพูดดีๆแม่ก็คงจะตัดใจไม่ได้ก็เลยพูดแรงๆเลยนะว่าเนี่ยท่านทำอะไรอยู่บวนมาต้องนาน ไม่รู้จักตัดใจซะบ้างนะที่สุนีเนี่ยนะเสียใจมากเลยนะสูกลูกว่านะลูกแทนที่จะเห็นใจเราลูกกับพูดจาด้วยถ้อยความรุนแลแบบนี้ก็เลยตัดใจเลยนะ ต, ตัดใจแล้วไม่ไม่สนใจแล้วก็ทำความเพียร น, นะปรากฏว่าวันนั้นเองก็บรรุษธรรมเป็นพระรหรัน อันนี้เรียกว่าก็ได้ดีนะเพราะคําตําหนิของลูกนะคนเราทุกคนเนี่ยนะก็สามารถจะได้ดีเพราะคําตําหนิเหมือนกันหนระือคำทักท้วงนะถ้ารู้จักใช้นะเอาละก็นะอ่าไหนๆก็เป็นวันหมหาปรารนาทั้งทีนะก็ขอให้ได้นะนําเอาธรรมะจากวันมหาปารานะี้เนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตเวลาเจออะไรที่มากระทบไม่ว่า จะเป็นเสียงที่กระทบหูจะเป็นเสียงทักท้วงเสียงดาวา่าหรือไม่และเสียงตะโพกกระทัดนี่ก็ใจก็เป็นปกติหรือว่ามีเจ อ, อเจออะไรที่มันมากระทบกับทรัพย์สมบัติที่เราดูแลกระทบกับรูปของเราคนรักของเรากระทบกับร่างกายของเราคือเจ็บป่วยนะก็ขอให้รักษาใจให้ปกติแล้วก็รู้จักหาประโยชน์จากมันนะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมให้ได้ ชีวิตเราก็จะประสบแต่ความเจริญไม่ใช่เจริญทางโลกนะแต่ว่าเจริญทางธรรมแล้วความเจริญทางโลกมันก็ตามมาเองนะในโอกาสออกพัรษานี้ก็กขอ อ, อ้างคุณพระรัตนตรัยนะตลอดจนบุญกุศลที่ทุกท่านได้บําเพ็ญมาและที่จะบําเพ็ญต่อไปก็ขอให้ได้อํานวยเอืยอผลให้มีความเจริญในธรรมมีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสาร